ขอหาทั้งใจขอหาทั้งเกีตินาขอหาทั้งศรัทธาขอหาทั้งปัญญาบวชทั้งศรัทธาบวชทั้งปัญญาบวชด้วทั้งสติบวชทั้งธาตุทั้งศีลทั้งภาวนา เอาเข่าบวชน้ากันเมดเอาเข่าในพระพุทธศาสนาเมื่อท่ากระเสือในศาสนาก้อเพี้ยนกับเพี้ยนในศาสนาพ้อมอุตลกับอุตนในศาสนาควอมชัดเ จ, จาะกับต่างสัดเ จ, จาะไว้ในศาสนาอธิษฐานกับต่างไว้ในศาสนา มุ่งมีทังไปไปทังอื่นว่าเป็นที่สบายไปนั่พระพุทธศาสนาเป็นที่สบายใจและเป็นทางที่ควรไปเองด้วยเมลรดทู่ใจสูงก่อนยินดีได้พระพุทธศาสนาาสนะความยินดีทั้งปูวง พระว่าพุทธศาสนานี่สอนคิดสอนใจสอนกายสอนวหวจ๋าเฮาให้เป็นคนดีเด่นึ้นปนัญหากายถึงสิงแก่สิเจ็บสิสส ต, ตายเตือนกัจริงอยู่แต่คิดใจนั่นแก่เก็บตายว่าเป็นปฏิบัติพุทธศาสนาจิตใจกับนับมือสูงขึ้นสูงขึ้นว่าดะต่าลงต่าลง สิ่งที่บ่คยลูกจักได้ลูกสิ่งที่บ่คยเห็นจักได้เห็นสิ่งที่บ่คยได้เลืม่มใส่กะจักได้เลื่มใส่สวี่ขืนปฏิบัติพุทธศาสนาก็ปฏิบัติตนกะมีวามไม้อันเดียวกันกะปฏิบัติใจกะมีข้มไม้อันเดียวกันอภรพุทธพระธรรมพระสงค์ไหวในใจอภรพุทธศาสนาไหวในใจไปทา่านได้จบว่าได้ฮาร์ดไดฮิวบ่ได้นับ คือของภายนอกของภายนอกนะแต่ทางใดก็ต้องเดี๋วหาดดี๋ยหิวไปน้าตายก็เอาไปน้าบ่ได้มาเกิดกเอาพระพุทธศาสนามาเกิดน้าตายก็เอาพระพุทธศาสน์ต้วนเจ้กลนักายตายเนี่พระพุทธ ศาสนาบริสตายไปใสจิตใจไปนํายึทุกมือนอนรับก็บลับไปนําพระพุทธศาสนาตื่นก็ตื่นไปนําพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาอยู่ในใจทําดีได้ดีทําสั่อได้เสื่อมันเป็นโลกทิพย์เยอะแล้วมันเป็นใจทิพย์เยอะแล้วมันเป็นถ้ำทิพย์เยอะแล้ว มันเป็นสงทิพย์อยู่แล้วมันเป็นพุทธศาสนาทิพอยู่แล้วผู้ใดทําผู้ใดไ ด, ได้ความทําดีก็เหมือนการไผ่ทากับหม้นของผู้ น, นั้นทำเส่อผู้ใดทากับแม้นของผู้ น, นั้นจงว่าไผ่ทำไผได้อเมื่อยังท่องเที่ยวในวัดตาสงสารอยู่ก็จําเป็นจะได้อิองพระพุทธศาสนา ปฏิวัต the ิเพื่อผลทุกข์ในพุทธศาสตร์ในวัฏสงสารท่องวัท่องเที่ยวในวัฏสงสารอันนี้กับโมไดมีอันอื่นก็มิจะเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เก็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์ผลของควาเกิดก็คือแก่คือเก็บคือทุกข์ผลของของมแก่ก็คือทุกข์ผลของควาเก็บก็คือทุกข์ผลของความตายก็คือทุกข์ ผลข้อมของควอ ม, มมีโยกพัดภาคปรารถนาไ่ได้สมหวังหรือคือถู ก, กมิจะทุกทั้งหลายอยู่ในวัจจสงสารอันนี้จะปฏิบัติพระพุทธศาสนาให้มันจบเมื่อปฏิบัติพระพุทธศาสนาจบ ก, กับไปทั้งยอดพระพุทธศาสนาคือพระนิพพานพี่เด็กกัคืนทีต้นพี่ละ ฝ่ายสุดยอดพระพุทธศาสนาคือพระในพระานมันมาเกิดมาแกมาเก็บ ม, ม, มาตายอีกท่านหน่อยขอให้ตายท่านร้ายขอให้เว้นปฏิบัติหน่อยขอให้ตายปฏิบัติไหวขอให้เว้นตั้งเขตนาไว้บนผลทุกข์ในวัฏสงสารในปัจจุบันในชาติย่าได้ว่าท่องเที่ยวน่านอีกเลยท่องเที่ยวน้ำแกน้ำเก็บ น, น้ำตาย ท่องเที่ยวน้ำความบะหมอนบะเทียงท้องเที่ยวน้ำหางกระดูกท่องเที่ยวน้ำหนังหุมกระดูกท่องเที่ยวน้ำเนื้อน้ำเอ็นน้ำกระดูกท่องเที่ยวน้ำกินน้ำขีน้ำนั่งน้ำนอนน้ำรับน้ำตื่นเนี่ยว่เป็นจักเถือหายใจเขาออกก็แล้วว่าเป็นจักเถือนึกคิดก็แล้วว่าเป็นจักเถือ ขันนึกคิดไปทั้งนี้ก็เป็นกุศลผลบุญในพระพุทธศาสนาขันเป็นนึกไปทังซู่ปฏิบัติไปทังซู่ก็ไปเข้าศาสนาพญาม่านไม่ อ, อยากม่เป็นม่านผ่านเจ้าของอยากไล่ม่านนี้ออกจากคิดจากใจม่านมันเคยมางหุ่มคิดหุ่มใจอยู่น่านแน่ หลายพบหลายซาสดแลข้ขันธมน์ม่านม่านคือปันจะขันธ์กิเลสม่านม่านคือกิเลสเทพบุตรแต่ม่านม่านคือเทวบุตรอภิสังขารม่านม่านคืออภิสังขารมัจจุมา่านม่านคือความตายซึ่งทั้งหลายมิตรม่านถือหกถืองาอยู่ในสกลในหลัก ก, า, กายสังขารเนี่ย ด้านจิตใจดยสติปัญญาสิไออกหนีด้วยพระสติด้วยพระปัญญาด้วยพระพุดด้วยพระธรรมด้วยพระสงฆ์ป้องกันในเรนีเรนี้ร น, นี้ด้วยควบชุดผ้าด้วยควมเยือกเยน็นไม่ได้ถือขวานถือไม้ไร น, นี้ยากด้วยพระสติพระปัญญาดูเถอะท่านเทียมถึงไปแล้วมานทั้งร้ายหักควยหายไปจากคันธะสันดานให้ไเร็กระหน่วย ม่านโลม่านโกรดม่านหลงกิเลสโลกกิเลสโกรดกิเลสหลงอันเดียวกันวัตตาสงสารขึ้อนอะสงสารมันเวียนมาเกิดแก่แก็บจ่ายมันเวียนมาโลมมาโกรดมาหลงมันแก่ปัญหาเจ้าของบาตกมิโตวาดมือโตเสืออโตผูกข้อโตอือพมพ่วมหลงห้องโต มากัดกินจิตกินใจโตคนโลกของตัวมาตัดกินจิตกินใจโตสารพัดวัดเวียงขันขอหาพระพุทธศาสนาแล้วในคิดในใจแล้วจิตใจก็เป็นที่สบายไม่ได้เลือกสันวัณณะไม่ได้เลือกเพศขาวเพศซีไม่ได้เลือกเพศญยาดเพศโนม ภพมาคือคือแพ้กับิบก็หน่อยก็เข้มหน่อยแพ้กับิบร้ายก็เข้มร้ายอืม่ได้เลือกสรรวัตนาทำของภพมาทำภูติเจ้ากันเดียวกันไม่ได้เลือกสันวัตนะมีทุก ja. bride, าทการมีทุกเวลานพระพุทธธรรมพระสงฆ์ปุณณพระพุทธธรรมพระสงฆ์มีทุกการทุกเวลาน ยูทูบคณะมองงานอะไรก็เห็นยุ่ยย่ำนั่นทั้งคุณพายนอกทั้งคุณภายในคุณพายนอกมันแกวแอนแสนซักวัชย์ใจชีกี่ามินธมาเ ส, สนาสนะและเพศซัดดี๋ยวคุณพายนอกอด้วยอำนาจวัสนาของพระ อ, องค์เมื่อที่เอามากินมาใส่มาซ้อยเขาเจ้ามือเลยมือ อาหารเจอละมือละมือที่เรี่ยงแม่ขาวแม่พี่เรี่ยมงพระเจ้าพระสงฆ์นั่นกินข้าวร้ยบยนั่งถึงหนหาอนอนห้งงกเลย นนนกินขาลาไดเงาหน้างกน่อยแต่เมื่อค่อยเป็นงูเหลือมมัสาสตร์ก่อนพระนโมเขสั น, นี้ผูฟังเ็ดเห็นเงาหน้ น, นี่ลเลยค่อยเป็นงูเหลือมอะไรพระนโมาสาก่อนค่อยเป็นงูเหลือมมานานิสัยนั้นเล็กิดมาก ก็ผู้ฟั่งว่าเข้าใจไม่เข้าใจค่อหมายเป็นคนค่ยหลงเคยโงอมากผู้เห็นขึ้นฟ้าค่อยเป็นนักทั้งา่ายท่าทักพ้นจิตกเพรัน โอ้เก่าคนเทศผู้ฟังเทศตะขีดขีดดินนะฮะมื อ, อยูว่าเป็นสุขขีดขีดินค่อยเป็นใส่เดือนมาไรศาสตร์ไรภพนะว่าฮะพวพพพยืบพันยิบนียูว่าเป็นซุปก็ท่านค่อยเป็นลิงม้าอ่อนว่า อันนี้กวกเกาหัวยังงองงอพราะสั่นนี่พวเกาหูเพาะั่นหรือพวกเกาแก้หรือพวเกาขานะ่พวกยืมบัฟยิบมัดยิมเม่มาสั่นเพื่อเก่าเพราะว่าเคยไปเลี่ยงมาแต่นานมาสั่นนิสัยปัจโยคนว่านิสัยที่เคยสางมา แงออกเป็นสองค่อยสร้างมาทางบาปบ้างค่อยสร้างมาทางบุญบ้างปุเรชาตาปิปฏิโยมา ต, าตรศาสตรกอนประชาชาตาปิปฏิโยภษาศาสาตร์ในปัจจุบันนี้นศาสตร์นี่ก็ เ, าเกมาสร้างสร้างเพิ่มขึ้นอีกบุคคลที่คยเป็นมนุษย์ได้เป็นมนุษย์นี่เพราะอั น, นิสงสัยศาสตร์ก่อน ค่ยได้สร้างกุศลพลุนบุญไว้มี่ท่านวัดศีลวัดภาวนาวัดเป็นต้นจึงเสียมาเป็นมนุษย์กลัวสิสียมาเป็นมนุษย์กับว่ามันของงไงมาจากสัตว์ยรสารบ้างมาจากมนุษย์บ้างมาจากมนุษย์แต่ศาสตร์กรบ้างมาจากสัตว์ยรสารบ้างมาจากเทวบุตรเทวดามาจากพุ่มบ้างมาจากนรกบ้าง มาจากเบตเตอร์วสไซอสุรกายบ้ามีหลายหนหลายเฮงที่มาฐานีใหญ่กลับมาร่วมกันในมนุษย์โลกนี่ที่ไปนรกกลับมาร่วมกันนี่เป็นส่วนมากที่ไปสวรรค์กลับมาร่วมกันนี่ส่วนมากที่ไปพุทธโลกกลับมาส่วนมาร่วมกันนี่เป็นส่วนมากที่ไปเป็นพระอรหันต์กลับมาร่วมนี่เป็นส่วนมาก ที่ไปเป็นสัตย์ที่สารไปทังพิษมีท่างีสองเส้นย่นล้องหมาเส้นพิษหนึ่งเส้นถือกหนึ่งเส้นถือกกลับไปมนุษย์สวรรค์นิพพานเส้นพิษกลับไปนะโลกสัตย์ที่สาลท่าสองเส้นนี่มันเดือใส่ที่ทางไหม่ในปา่าในเมืองผุนบอกอายุกับคิดกับใจและความประพฤติของสัตว์ทั้งหลายแต่ละทานแต่ละคนนี่เองเมื่อใส่อื้เอเนย ยิ่งนสูงทําสัน ส, สูงเรือบางอันไรมาเป็นตาเลือมใสในวันตาสงสารนนี้เต็มไปด้วยแต่ความแก่ความแก่ความตายแต่กองทุกข์พวกเคสสันสูงนี่มองอดเบิ้งอดีตอนาคตที่รวงมาแล้วกับมันกองทุกข์ที่รวงไปมองเมือ่ออนาคตกับมันกองทุกข์ที่พระท่นมาถึงมอ ง, มงปัจจุบันกับมันกองทุกข์ หากินอาบเงือต่างน้าพึ้งคู่สงกาดีแต่ละมือแต่ละเวนเสื้อสีบินทบาทปิน่นคืนผููคืนเขามากออาบเงือต่างน้ามากจังในยูด้กินนี่เรียกว่าอาหารประทยุทธิทุติทุกๆในการหากินพวกคารวาดหาเส้ากินเย็นชาราพัดหัวสูฟ้านาสูแดด อหลังโซฟานาโซเดดนาโูดินกับแมน่นนาโซเดดกับแม่นหัวสซเดดกับแมนโซร่โซฝนกับแมนมะเขือว่ได้กินก็ะบอกคือพระคื อ, คอนี่คือแมค้าเมซี่พระเนี่ยแมค้าเมซี่นั่นอันนี้พูมาเอามาให้กินได้ตามงสติกำลังถ้าประพฤติ ด, ดีเท่าที่สมควร พระถ้ำขยอมรักษากานประพุทธเลีล้ยไร่พระถ้ำก็บรรักษาแหละมีแต่คว่มทุกข์มารักษากองทุกข์ในวัฏฏะสงสารนั่นนี่ทุกข์แก่กับว่าตงธรรมะตมันมีเกื้อเวนเกันอคืน นุ่มกับแก่ตามนุ่มเท่ากับแก่ตามเท่าวันขึ้นล่วงไปล่วงไปสันแห้งไหวของเท่าก็ล่วงไปด้วยส่วนอายุได้น้อยได้ร้ายว่าเป็นปัญหาได้น้อยก็ล่วงไปน่อยได้ร้ายก็ล่วงไปหลายมันไมันได้มันล่วงไปมือนี่ใกล้สิตายก็มือว่านี่ซ้ำใกล้สิตายก็มือเศร้านี่อีก ไก่สีตายก็วังคืนมาหันอีกยับเขายับเขาว่ามีทั้งถอยออกอยับเทือควมตายน่ะแต่บ่ยอมให้ตายจากศีลจากถ้ำส่วนจิตใจน่นส่วนชีวิตน่ะตายไปกะเป็นธรรมาศาสตร์ของสัง ข, งขารในโลกอันนี้ไวเจะยู่เหนือความตายบ่ได้นอกจากพระหันไปเสีย พระหันก e ็เลยตายซ้ำซ่าทแะศาสตรุ่นมอมมะเขือแก่เก็บตายอีกเพื่อนเบื่อตายนั่นเองเพื่อนเบื่อทุกนั่นเองเพื่อนเบื่อเกิดนั่นเองเพื่อนเบื่อแก่นั่นเองเพื่อนเบื่อเก็บนั่นเองเพื่นเบื่อตายนั่นเองเพื่อนเบื่อหิวเบื่ออยากเบื่อหอนเบื่อหนาวเบื่อปวดอุจจาระปัสสาวะปวดอุจจาระปัสสาวะเพื่นกระเทือบเป็นทุกข คือความห่อนมากกระทบเพิ่งกจะเ้าอดเป็นทุกข์นี่จะทรัพย์ทุกข์ทั้งม่วนอยู่ในวัตจาสงสารอเ น, นืี้เพิ่งในจังรู้จแจ้งแท่งตลอดแบบเย็นๆไปซะบม่ได้ประสดแดกดันผู้ใดเพิ่งก็เลยผ่านไป อ่านจะกวมหลงจะของฟานจะก้มข่าใจพิษจะของทายเท่ล่างสมองจะของมีตะทุกเท้า น, นั้นแหละไกลแหละล้งปูก็ไกลแหละนี่เกียมฟื้นหว้อก็เอาอยังนํ้นหรอกลูกกำหลานหนอกตอนนี้ขาวว่าตายแล้ว เงินกับว่าอ่อนน้ำจะสตางเอาฟื้นน้ำพุนละโดนค่าคืนเนี่ก็เอาดอกมาถิ่มใส่ให้มันมืดแกจะให้มันยั่งกระดูกมันเป็นปัญหาทีฟืนสะทิมพร้อมมันจังมาเป็นปัญหาฝนตกมาห้ามหน่อยมันสะไปน้ำประป่าเข้ามีดอกสะ มอดไฟแล้วปล่อยน้ำใส่สายยางทูใส่มันไหลงลงห่วยเหมือบวชเขาะยังได้ไปเก็บออาก็สนอกมือนโมยาคิดดีบาตเนี่มันทสร้างฟ้าสร้างเนียไว้พระเนียนซุ่มอยู่ไกลเนี่ยมันถึงไม่ชิดขมูเขาสท่านเดียวน่ามากผงโคตรถเขาสีหยากเป็นความเขาสีหยาดไปยังผมหยาดแล้วผมจะต้องสกิดไม่ได้อ้มเญาติไป คน่ายันจไส้พนให้ดำได้คุณจอยากเป็นคนโอ้เขาที่เอาไปที่ยั้งจะไปให้ไปแดกบ่อแล้วเดี๋ยวเลี้ยงแล้วคน่ายันไขเย็นมากเลยื่อได้เอาไปโดนเมื่อิวงนาวให้ปมไปยังลืมจเทียบปเอาะได้หลวงปูแตงที่นายกำมาอะไรเี่เขียนด้วยมือจะของ ข้าพเจ้าขอทำพินักรรมไว้ว่าเมื่อข้าพเจ้ามานันภาพอยู่ใดที่ใดขอให้พุทธบริษัทในสังคมนั้นนั่นรีบเผาข้าพเจ้าโดยด่วนกระโลงก็ไม่ต้องทำเพราะข้าพเจ้าเข้าใจว่าจะไม่ได้หามผ่านบ้านใครเพราะคงจะตายอยู่ในป่าชูศกไปที่ริมวัดเอาใส่เตียงปลาแล้ว ก็เอาขึ้นในเชิงตะกรนเผาเท่านั้นส่วนกุศลาจะว่าหรือไม่ว่าก็ตามเพราะข้าพเจ้าได้เรียนแล้วนี่ทาให้ไหมทั้งกระดูกก็จะเป็นพระคุณยิ่งอย่างสูงไม่ทำพิธีปีตองอะไรเลยถ้าจะทำบุญดุทิตท้าข้าพเจ้าก็ก้มหน้าลงแล้วข้าก็จะตายเหมือนท่านนั่นเอง คงม่อยู่รอดไปได้ก็เรียกว่าทำมนุษิตหาข้าพเจ้าแล้วส่วนพระพิสูจส์สูงก็จงไปบินทบาทมหามาเรียกกันตามเคยของที่มีอยู่ในวัดสิ่งไหนที่ไม่พอกันใช้กันสอยก็จงจัดแจงให้กันตามสติกำลังเท่าที่มีอยู่นั่นเถิดเดี๋ยวบอกหมดแล้วพี่น่ายำไรมือของเขาเลยเอาเขียนมาแล้ว เขาเห็นพ่นหุ่นพ่นไหวพ่นหยาโอ้ยปเปิตาหุ่นไหวเดี๋ยวกองตักน้ำเพราะว่ากองรับพระพราะว่าในในเรื่องกูตีมึงมึงตีกูรูสารพัดเป็นเสือขี่มูวราขี่ม้าเหงกันบ้านสอง อบายสองอ่ะเฮ็ดพี่น่ายกรรมมาแล้วขันสร้างไหวสร้างไหวมันบมแน่นอนมันบอกว่าคากันผูนผน้นึงผมบอกเนี่ยหนึงพู้นึงผมบอกเนี่นึงก่อนเทาเฮ็ดพีน่นายกรามมาแล้วนั่นขันเขาทําตามพีน่นายกรรมเท่งที้พื่อนที่ม่อทับถงเขากระเบือดเด้ยนี่พี่น่ายกล ร, รมเพื่นเห็นบอกเสียก่อนเท่าสร้างแต่ป่าก็ะเดิหนหัว เขาก็ว่าทับถมใหญเนี่ยใจจืดใจเฮงเฮ็ดให่คนดูล่ามาดูมินเพราะว่าผู้บ่าอาจาร์สันนี้เนี่ยว่าพอคนแมยคนร้ายพันษาแล้วว่าก้ามเง้วไปเฮด้ซันเทาจึงเขียนพี่ได้กรรมไว้ตายหมดทางพผู้ได้รักเอาพี่ได้กรรมไปสูงไฟถิ่มพุ่นมันก็บาบร้ายแล้วมาทำันเาซุบแล้ว พี่นายกำกับจไปต้อกันยังไงก้อมันก้อมันยาง้พี่นายกำกับจะไปน้อกั น, ก น, ก น, กนยั ง, ยงยยรรไงคือคว่าเขียนแต่ประเมื่อลูครูเขียนแลาเมื่อวันน้าเอาคร้ขืนเสื้อก่อนแรกิพี่นายกำกับไปน้องกันยังไเพราะว่าบ่มีอย่างไหวแหคูอื่นเบเพราะผูู้เขียนแต้ประเมื่อไหวครูผมกขนไปนี่ คูขืนทั้งเส้นตะกวนกับมือก็ไปน้ำกันก็แท่งงานน่ยที่นากังกับเบลียะนะก็สิไปน้ำกันกับสิมุน้กันเล่ตกันเลยก็อจ้องให้ผู้อื่นเส้นน้ำอหลายคนกัผู้เส้นเส้นไว้อยู่แล้วเส้นน้ำลงูะบแบาไปแล้วลเส้นก็อยู่พราะพื้อนนูก็สิไฟน้ำกันหก็สิ่งหงยากไปยเลยไมู่กขาดเองอกไม่ผูกาดก็สิค่อยรอก เพราะเป็นอกอทาพพันมีผู้กล้าถิบในไฟแต่ว่าผู้กล้าผู้ใดไม่ผกล้าสุดพักดันเมืผู้ใดสิกล้าสอนเชียงเนาะเพราะยานบาปพเพราะเผินเหตุเองไร้เมื่อของเผินข้าหลวงผเมือม่อยเมื่อยจะปากซบลงปูห ม, มันฮะมือแรกที่ร่อยหาลอย ที่ลอยหาลอยพระยังหน่อยล่ะ้าลองมือมือละพันออคิดเฉลีย ว, ว่าพระ่องมือละมือละเจ็ด่อยส่วนมือทั้งพันกันยกไว้ซะส่วนมือหาลอยกันยกไว้ซะอันล่อถาวายพระเพิ่งอยู่หันสามเดือนอคิดเอาซะจะครบลอยซะ เราหกรอยไปคูณเก้าสิบงนูเก้าสิบไปคูณหกลอยบางดูสนมีผ้าจากองค์สว่วนอดมือเผาผ้าต่งหลายหมืนม่นโลปูมันกมรูมัดเราฉันเข่าในมือทอผมมือนี่แหละแต่เ้าคนย่บานน้องผือกับพอแห้งแล้วถึงหามคนออกมาเ้าย่บานน้องผือ เดี๋ยวถ้าปฏิบัติพฝนสุกส้นน้ำสืบอยู่เกิดมาศาสนาเนี่ยเดี๋ยวเหมือนอาจมมางคนเดี๋ยวเอามือกรอบเอากรอบเอาส่ปุ่งกี้แต่เล็บมือให้มันเหี่ยนในสั่งบารมีส่วนนี้มากจูเหตุไรสั่นพ่อป่วยมาปีไทยม่ออกกันควาทั้งหลายญาติกันจกทวาน ควรอุดอุจออกแล้วเรือถึงป๊อปเรื่อถึงอนิสงส์อันนั้นโอ้เห็นกับปศาสตร์เหรอวะตีบัวดิ้วก๊อศาสตรกเหมือนกันตัวปวยนักอยู่คุ้หลังนั่นแหลปยนักอยู่คุ้นลังนั่นแล้วเพ่ไปแล้วเนย้อใหมตัวไายตัวจับไทยเหมน เพรเป็นจริงนิสัยโตมันป่วยมากมันบ่ได้ทายยกุฏิมันทายแต่กระทายโบออกจะตีงไม่ได้กรสร่า ง, า, างต้องไปหามไปพุดสวมพุ่นละ่ะตะขีมันส่วมัอไม่มีเทิงสวมนไอยู่ลมพุน่นหามไปสวมไปทายสวมพุ่นละ่ะสวนก็สวนพุ่นละ่ะตายก็ไปตายพุน่นล่ะเมื่อยอมไผ่เป็นผีบ่าว่าตั์เมื่อทายอยู่เท่งกุฏิให้มู่หุม่มอยู่สัตว์เมื่อทายหัวมันเ่าะัต นื้อไสมันเป็นนืสันมาต้องหามต้องไปสวมพุ่นละขันสวมอยู่ไก่อันนี้ปรได้หามยางรางว่าในี่ยคาด้นพุ่นอันนี้มีสวมมีเลยเขามาเห็ดให้ได้เขามาเถียงเห็ดได้สวมเนี่ยเขามาเถียงเห็ดซ้อมเทีย่ยสีเทีย่ยคุณสวัสดหัวละอ๋อเขาเถียงเอาจนได้ไ อ, อ้สันว์ตัวเล็กบอกว่า ฐานะของหลวงปู่นั้นมันพอดีแล้วลงไปที่นี่ก็พอดีแล้วฐานะของหลวงปู่เพราะหลวงปู่ไม่ใช่หลวงปู่ขาวไม่ใช่หลวงปู่มั่นไม่ใช่หลวงปู่แวนปวดอุจจระพอลงไปนี่ก็พอเหมาะแล้วส่วนนี่มันมีแล้วพูดอย่างนั้นก็ถูกอยู่ แต่ว่าเวลาฝนตกที่นี่มูก็ไม่ได้มาอยู่นอนด้วยอยู่เวลาอยู่ธรรมดาส่าถ้านับวันไม่แก่ก็ไม่เป็นปัญหาสบานี่ก็นับวันจะแก่ไปถ้าว่าหนุ่นเสมอเก่าก็ไม่เป็นปัญหาเขาบอกว่ามือหนึ่งก็ถือไฟมือหนึ่งก็ถือร่ม บ, บางทีก็ฝนตก ไปล้มตายอยู่คนเดียวยตื่นเช้ามาลูกๆจึงจะได้เห็นนึกแล้วจึงได้ขอย่ิงวอนเมื่อพวกลูกๆมาเห็นพวกลูกๆพอสามารถจะทำได้แต่ไม่ทำมันก็เป็นลูกก็เป็นคนตาบอดหมดทั้งนั้นท่านไม่ใช่เป็นคนตาดีก็เพราะมีทุนทรัพย์พอที่จะสร้างได้อยู่ไม่ไม่ไปรบกวนใคร พวกลูกลูกห ล, ลานที่บริเวณในวงของลูกนี่มันพอแล้วเขาบอกของสัตวจ้าค่ะเนี่ยหลวงปู่จะแสดงความเด็ดวเดี่ยวจนวันตายมันก็ไม่ถูกหลวงปู่ปีนป่ายขึ้นเขาลงหัวอยู่นี่ยี่สิบเจ็ดปีแล้วแต่พวกลู ก, ลกมาคราวเดียวก็จะตายใช่แล้วปีนขึ้นมาเพียงลงปีนลงไปบินถบาทปีนลงไปฉันนี่ก็พอแล้วยังปีนไปบินถบาทอีกด้วย ก็น้อยนักน้อย น, อยนที่จะบินธบาดในที่เขาทำอาหารเมื่อลูกๆไม่คิดพวกลูกๆ ก, ก็เป็นคนตาบอดเขาบอกองศ์นี้เป็นคนหุ้นห อ, อกอีกด้วยในที่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าอวดรวยแต่ก็ไม่รวยแต่พอจะทำได้อยู่ขนาดนี้เขาบอกองศ์ ได้ฆ่าเขาเขาเทียงสองปีสามปีเ <c oughs> ดี๋เลยมาเห็ดพระเพิ่งก็เห็ดซอยได้เียทั้งพระเห็ดซอยพันธุกรรมดสามหมื่นอยู่นี่พระเนียนขาเจ้าเห็ดซอยอยู่คิดทั้งพระทั้งเนีนมันเขาห้าหมื่นผุ่นนี่พุ่นลุมนั่นพระเนีนเห็ดจิตายขุดกันด้วยแผ่นมดวันมดว่าเห็ดสามปอกเอาลูระเบิดว่างลงจักรลงไปก็ทังหินเนี่ยลุมอยู่ผุนได้ยุบยุบแย่ผุ่นได้ยุบแย่บกบมะนาวเขาได้หัน ล้มมันเล็ทท่อไปจะเล่ฆ่าเขาบเล็กหน่อยมือหนเว่าเราท่านล้งปูแถวๆไยอันคขาว่อาเนืปูแล้วไปบ่ได้ดีดีเขาล้ท่านรถแม่นครอบเขาในที่พูดนี่มาได้วังว่าอวดรวยไปท่นแต่ไม่รวยแต่พอทำได้ทั้งบริวารและผอพอวงศงตระกูลนะฮะส่วน หลังเดียวที่ทำได้เขาบอว่าโจไม่ได้ไปเรียดไถไข่ดอกว่าบอกสัตว์ราชการมืดปัญหาที่เราก็พรได้ขาดมานี่บ้างท่านาวานถ้านับวันไม่แก่ก็เป็นปัญหาตัวว่านลประธานนี่ผสมทานะเราละนะว่าท่านจะไม่คนเท่าไปว่าท่น มันปวดแต่กังเว้นก็แม้นบอกห้ากังคืนฝนตกกึนนี่เลย่นเขาอ๋องเฉยป่วยก็คือกันมันป่วยย้ำแรงของแมนบอก่านะมันป่วยย้ำฝนมัหนี่เลย่านหามตาฝนไปบอกเขาอ๋องท่านจ้ะนิดใสเข้าน่ะนม่ใส่องปูนน่ไม่ได้ทายเกิดมานี่ไม่ได้ทายจะเถอจะพัดมาบวชในพระศาสนา ก็บด้ทายใช้ทท้กากุฏิจักเถือ่อมันบ่ออกเปิดผีใบ ย, ยังคนหมเสี่ยวๆอยู่ป่วยนักนั่งจไปทายหันให้กินมันกระทบกระเทือนมูว่าไรอะตายเป็นตายแล้ะไปสวมพ่นแล้วไปหามไปไม่ใช่แล้ไปจุ่จมคนแค่งคนขาไปเทียหามเข้าไปแล้วจะทายพ่นน่ะแต่กกะ บ, บ่ออกดอกล่ะ ว่าออกมันเป็นโครโลกทองปูขันข้าวมันป่วยหลายๆเห็นทายไม่อยากออกพระญาติกันญาตกันจกเข้าไปกออุจระออกมาจกเข้าไปกออุจระออกมาเล็บมือเขาเจ้าตัดดีแล้วเขาเจ้ามีหยางสวมสมัยหนึ่งมีมีหยางสวมเนี่ยมันบ่ชในสื่อมาลอยไวพระสิตท่านในสื่อมาลอยอคือเห็นป๊าคือเถียน เย็บอุาลงปูมันเห็นกับศาสแๆเห็ุอไหวเห็นกับศาสตร์ เ, เ บ, บอด น, น่ศาร์นี่งที่ดีเหไหวก็เห็นกับศาสตร์ซงที่ซัวก็เห็ุไหวก็เห็นกับศาสตริงที่ซัวนั่นเกขี่เท่าไฟพิงก็เห็นกับศาตร์กันน่ะแหละมาดมขีบินยอนี่เจ้าปีอะไรนี่นี่นะ โทษขีแต่ต่อฝ่ายพิ้งยิงดือ้อจะได้เป็นลูกลาเนะี่ยขีแต่อฝ่ายอินีจ่จะบับกหน้าไปสัน่นอายุสิบสองปีนละ้คืดข้า น, น้องก็สื้อนีนะ่ว่าเขาบอเอาเรื่องครับต ว, ว่าไม่พูดได้ว่าให้โตคืดข้า น, น่องก็สื้อนี่พิ้งยิงพูดดันใจดีใจดีเท่าจันที่นะถ้าฝ่ายที่ขีมอังไงเนะี่ย เออเส้าฝ่ายแบบไงเนี่ยเส้าฝ่ายที่ท้อละมือนี่ยพวกคนแก่ๆเลยต้องหัวจักมืดเลยเคยเดือขายแมนบอสารเป็นตาประกอบไกันใช่แล้กันสารเป็นตาประกอบใช่กันใช่แล้ก็ตั้งไม่เฮ้ยนทั่วหัวเลแล้วเพื่อข้อเลยอ่ะท้อละมือก็ไปจกออกหันจ้องหันปิ้ก้นหันแล้วโจกตาประกอบกันเพื่ก็กระทายใช่ัหมใช่ะล้วก็เอาฝ่ายอัดไว้ ตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมามาพี่สันมืนน่อนี่คือแดดแท้กูที่ไปจกกูทีไปตากฝายก็กูทีอิ้วฝายว่าสันเราเบาอยู่เร า, เอาอยู่คนเดียวมันเปยิงตัวกมูตัวยุ่งทังผีตัวยุ่งทงั้ือนทั้งนี้มูบล่องมูบล่องโป้มูอเปอ็นสีได้ตาพัดซ่อนมันเขา <laughs> มูบอ้วนหัวเ ก, กือตายอ ะ, อะไรก็จกออกมาเนี่ย จะออกมาฮึยเวสันม่ดขี้เวสันเอ้ยรถหัวไหลเลยตัวเขเนีโ้ยเวสันตีบักราเต็มมือเอี้ยอยเสนมึงซา ก, กังให้แท้มาขี่เสีท่อไฟเอื่อยสันเท่านั้นล่ะหนาประตูหูห่ า, าห้เพี่งพื่เนี่เท่านั้นล่ะใจดีดี โกยไปทิมจ <desperately> <tattoos> er> <cra> <ror> <led> ักรีโล่หนึ่งผลแม่แม่ได้ยินแม่กับหัวหยามยำพอได้ยินพอกับหัวเพื่อพี่สาวส้มหนั่งกัหัวพี่ชายผู้หนึ่งก็หัวพี่ชายผู้หนึ่งบ่หัวตาเขี้วใส่พี่ชายผู้หนึ่งพี่ชายผ่้พี่ชายไงผมไม่อยู่หัวบานผลละมาเคยเที่ยวมาอยู่เสมอเสมออยู่ มามาพอเขาบอกอันนี้ตาเขียวใสอนตอกหัวมันสูพี่เันไงเลยี่เสถนมวยจักภาษายังไงเลไงเลยอะมันตั้งพะโลได้บักหนี่เสถันตั้งพะยอจ้ซื้อหนี่เสถั น, นหาเรื่องพี่เสถคอนตอกหัวมันพี่ันหงว่าเจซื้อได้หนังได้สุทธนันะ่ะไรมากขึ้นบ้างเสมอหนิก็เทนเห็ดบดีใส่พิ้พ ง, งนับตาไรเสมอ กุท้นพบุญอันไดที่ได้สร้างให้มันไหลไปหาพี่ยิ่งเมเจอร์ว่าสันก็พอกระเมครับเอื้อยหรือทั่วทั้งไตโลกรถ า, กรางคนละอุทิศไปทางสันง่ามีเวน่นมีไพ่ด้วยอะฮนี่พวกน้ำว่านี่น้ำนี่กัพวก น, นี่กระไดโดมน้ำพวกนีกน้มันวุฒกรรมขี่กรกถ า, างนี่อะไรพวกมูนี่เดียวมาอยนน้ำเ้านี่ ผู้พักกรรมขี้ไก่ท่างตื่นขึ้นมาเนี่พ้นว่าพ้นตื่นแต่ด็กเอานีเถอะว่าฉันอะไรเขากลายไปเขาละปล่อยทีเ่เขานี่ก็ไหนมาดกขี่บิงน้ากันเยอะหนิฉันบอ <laughs> เห็นกับสะอาดในของมอหนิจะไปว่าได้ผลของกําเท็ดาดีผลของกัมที่เฮวดาดีเห็นกับสะอาดคืนเบื้องผาพรานทอนสบายขอน้าอาหารเพ่ยได้กินในท่านวัยก็ยังมีพ่อแต่ใส่แต่ซอยแต่หางว่าเอืดเอ็นแต่หงางว่าหลายวา่าเนี่ย ส่วนทั้งดีว่าเงืนส้าจสถานที่ก็ค่อยได้กินในทานา่านในสร้างไว้ก็ยังพ่อได้อยู่บรจ บ, บังงามกา็ได้ฮะส่วนเว้นข้างนา้าหัวกะทิมาืดหัวกะทิเบาลงเว้นของงน้า ม, มีอยู่ เรื่องเรียนเนภาษาตะปาตะกีเ้เรื่องเรื่องเลียนกับภาษาตะปาอายุสิบสี่สิบห้าล่ะนี่มูอเขาเป็นปุ่มเป็นปุ่มแลยตะกี้มันเลิกมือวันพระเรื่องเลียงกับภาษาตะปามือเขาเป็นปุ่มเป็นปุ่มเลยไปน้ำมันกัมือนึงกับเคือ่องนึงน้ำเพราะเป็นแอมันก็ต้องแห้งมัดน้าน้องให้น้องหน้าเขาเขาบ่นในห่วงตะเกี้มันไปคือนสมือนี่สาขีเก้าเข า, าขแหละเขาสาแล้วแล้ว สักขี่เกาเขายัางได้หาบยั่ได้เที่สมัยเที่รัชการที่หกมันกต่วา่าตัวนี้นะซ้ำดำผ้าผ้านี่นะปลาค้อเนี่ยปลาขากรซ้ำสองนิว้วซําปมือปลาเข็งก็ขึ้กันกรซ้ำสองนิ้วนี่แห ะ, ะาขี่เกาเขาเนี่น้าจะได้แห้งมัด น, มนึ่งน่ะขมือนึงก็ขึ้นหนึง <c oughs> เลือกเครื่องวันเนี่ย เลิกเครื and and to to ่องว่นกับมือรุ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่นมันอีกก็บเรก่องมือๆเนี่ยขางปิดตามมือวันพะเนี่ทางราชการที่หกโรงเรียนทั้งนอกบ่ไข่มีเมื่อเด้อปิดวันที่วันเสาร์ยังเสมอนี่ยเลิกเครื่องว่านมือน่ะไปเถอมหมอไอตัวสีไปน้าเฮาเอว่าเฮาจะไปท้าปาน้องนั่ะหน้าพูนันพ้นบกหวงหรอกมูอกัดได้จกได้เสียมได้ขั้นโซ่แล้วกั เดี๋ข้าวเสรนจนึงซะเอาข้าไปพร้อมเอาเขิงไปพร้อมงุ้มหัวไปพร้อมเอาคองไปพร้อมห่วเขาไปพร้อมเอากระวองไปพร้อมตะกีไม่ใช่กระวองดินอนจะพุ่นซ้ำมือเศ้าคนมือรุ้นมาหนีเพอใกลที่ข้ามันกระแหงแล้วพอเทียงอ่อเพระาะใบมือนิของปล่มือที่แดกกระปัดคู่ขออเขาตาคู่เกาเขาดิเพอเขาซาแล้วเดี๋ยววันนีมันบ่ดีกับ ไปปิดเติมในซื้อกะช้าโหลดมันหลายคนนี้กันกระสุนสามชี้ดงังมันก็ของแหง้งเขาก็ว่าเขาเก็บเบิดเน่ยไปนั่งกนยังเรือยอยู่ต่างหาับสองหับผลมันมลจีตุมอยู่ด้วยจีตุ๋มมันเลอะเรื่อกงกระแกงเขาเก็บบ่มอล่ะมาหนีก็อึดนามซาสหกสเกตปีซ า, า, า, า น, น มันก็สิมาเบาไปนี่แหละฮะโอ้อันเบาขึ้นในแจ๊คเขาลงเรียนผุนออกว่าเต้ปางเขาลงเรียนผุนบุพพกรรมอันนั้นมันนํามาเลยได้ได๋ยวมาอยู่บนอึ่ น, น้ำสนอ ก, กบ่ามันถืเป็นพระอยู่ไปสาปาได้เบาเลยเนีๆๆาา่ยออกเป็นบุพพกรรมในเขาลงเรียนผุนออก จะฟองอากาศเทาองเาโ้โอ้โออเสครัโทรทมโสังโฆผ้โทรมโสังโฆ้โททมโมสังโฆ้โทรทมโธสังโฆ คำว่ามหาเทระเพื่อในยินว่าจังสั่นก็เลยโอนมหาเทระขึ้นหาพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระธรรมทั้งหลายปาริยสงฆ์ทั้งหลายมู่เฮาทั้งหลายเนี่ยท่องเที่ยวมาในวัฏตากรงสันอันนี้แต่พบก่อนศาสตรก่อก็ดีปัจจุบันก็ดีจะเป็นไปในอาคตก็ดีมู่เฮาทั้งสองฝ่ายต่างได้ประมาทผาดผั่งึ่งกันและกันด้วยกายว่าใจใจอันใดอันหนึ่งก็ดี เป็นเวทอันใดอันนึงก็ดีเป็นไพ่อันใดอันนึงก็ดีมูอเฮาทาั้งร้ายทั้งสองฝ่ายต่างกอ่อให้อโหสิกรรมแก่กันและกันอยู่ทุกเมือบ่มีประมาณผลสุดท้ายมูอเฮาทั้งร้ายด้วยเดชพุ่นพุทธทำสงฆ์จงผลจากสัพพทุกสัพพโสสัพพโรกสัพพเวนสัพพไฟสัพพป่วยสัพพไขสัพพพญาสัพพโลขาสัพพเกเรสัพพอันตรรายได้ทั้งสินทุกทุนนาอยู่ทุกเมือบ่มีประมาณนั้นก่นนอข้าเ ท, ทือนอหังตุมเฮหิปิเมฆามมีตาบาง เอวังหัตัเอวังหัตัวโยชาปุเบปมะชิตตัวปชาโซนะปมะสตีโซมังโซอ่าโซมังโลกัปพาเสตียปมุตโตวัจันติมายสสะปะปังกตักัมมังกุเซนนะปยติโซมังโลกัปพาเสตียปมุตโตวัจันติมาอภิวาทนสีริจนิจยังมุธาปชาญูจตารูธรรมาวัจันติอายุวณูสุขังพลัง เป็นสุกเป็นสุปเป็นซุกอะไรผ้ายางไปส่เขาเยอะจะไปเวิ้งแต่หนังทางนอกไว้ห้างกระดูกผ้ายางยังไงยังไงยังไงไปว่าสั่นท่าดินน้าไฟร่มดอกว่าสั่นในพี่เจ้หน้าจะไม่มีกระเว้นกระคืนน่ะอันผู้บบาเนี่ยมันมามักดอกอันค้นไปมักผู้เบาเพราะมันมาเห็นห้างกระดูขันละแต่มันเห็นห้างกระดูกิดว่ามีกระเว้นกระคืนห้วยมันจิมักมาได้ใสอืมมีแต่ฐานดินฐานน้ำฐานไฟฐานร่มเนาะว่าสั่น ที่ดินก็ว่าสันยางไตอยู่เดียวนี่ก็ดินใต้ดินว่าสันพระญาติจิตลาภเป็นผู้ขับอน้ำไต้น้ำล่มไต้ล่มดินนุ้นดินน้ำนุ้นน้ำไฟนุ้นไฟล่มนุ่นล่มกินน้ำเนี่กับมันน้ำนุ่นน้ำเนี่ยอาศัยความอบอุ่นกับมันไฟนุ่นไฟอาศัยลมหายใจเขาออกกับมันนุ่นล่มนุ่นล่มวางสันเราต่ออายุของลม กินเขากับต้าอัญโของถาดดินกินน้ำกัต้าอายุของถาดน้าแล้วก็มดินนาตรมเต็มไจโลกธาตุนี่พราเชษฐจะมีทายหางกระดูกเต็มไจโลกธาตุนี่อดีตที่ล่วงมาแล้วมันยังหางกระดูกเห็นหรออนาคตที่พระท่านมาถึงมันยังหางกระดูกเต็มโลกนี่พ่ะเชษฐ์เอามาร่วมกันไลยมึงดูสิบุตรไงก็พูดเขาสินีโนโ่โรลัสไงก็พูดจะ ก, กอ่อเนี่อยหางกระดูกนี่ ออุจลระทายออกแต่ละมือน so so ี่โดยไงก็ผู้เขาคนบ่ปัสสาวะทายออกแต่ละสูงมือนี่เพว่าหลายก็แม่นําำของคนบ่นําเลือดนำน้องอันอีนั่นถ้ากลัวหนร่างกายนี่ก็นนั่งม้หุ่มตัวไว้นะให้มันไหลออกมาคู่ปู่คู่คนคู่ท่านคู่คนคู่ตัวสัตว์ดวงรูมันสิยร้ายปัญหามันสีมีลักษณะจังไดงั้นเหรก็ะพิจ้างงั้นเหรจ้างให้มันมามันก็ะเพะมาล่ะ ท่าผู้เฒ่าเนี่ยมึงแล้อะไ ล, ะละ่ะพวกพระเท่ากันะมันอยู่วะได้มันก็ขอบหลงหนังขันบัลนังก์บ็ไม่แน่หลงอะไรโลกอันนี้<ม>ก็เข้าสู้พระนิพพานน่ะเผ<ม>น่าพญาอุปคุดนะถูกอ พออุปคุตหนังมาเนาไปผูกข้อพะยะมาย่านคืนไปปร ะ, ประอดพอมมโลผุกลี่ยไม่ได้ไมสั่ <c oughs> น้องมาให้พออุปคุตแกจะแก้ได้ไม่สั่งมาว่าได้พักอุปคุตแลพะพมกคัล่าสารีมืเกลได้มดเนี่ยพอฝนมาติดอยู่ในหนังมาเนาเด้คุณเป็นพระรหารหรอเฮาก็พี่จ้าหน้าเห็นฝนจากมังหนังมาเนา ว, ว่าหามันมากเครียดข้อ คนจากลากะขันบอมักผู้เบาแล้วกัเรียกว่านังมาเนาเพรเคลื่อนข้อะอะไว่าน่ยขันยังมักผู้เบาอยู่เนี่ยนังมาเนาเลยเคลื่อนข้อ่าว่าองชาติอรรถว่าขี่มันก็เต็มท้องเื่ากันนะผู้เบาอย่าว่าของชาติอรถผู้บ่าขี <c oughs> <c oughs> ่เต <c oughs> ็มท้องผู้บ่าวขี่เต็มท้องาาอง่ะพอเห็นนะขันมันมักจวดได้เนี่ได้หลักถ้าได้ล่ะ เนี em, who, high, mainland, ่ยคีเต็มชองผ้าคีเต็มท่องไว่าของท่านมันจะหายท่านเนี่ะมันทิ้งอย่างยังอุบายแก่จะคข้องมาเปลี่ยนมันก็บาหายแล้วคือบัพพิกเขาตาเลยไปเอาอื่นไม่กินไม่ได้เมันทีรับตายอได้ก็ได้คั่วคั่วเกลือมากินไม่เกลี่ยหัวอะไรเนี่ยเาบอกนะผ้ากันเสือเมื่อกางเมื่อกลางวนเนี่ยผเป็นเชื้อเพล้อคันเนี่ย